ยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องว่ารู้จักใจคือจากที่ผ่านมานะคะคือปฏิบัติธรรมแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยมันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิด ล่วงหน้าอะไรเนี่ยนะคะจากสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นคือนั่งสมาธิแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการเดินจงกรมแล้วมันมันรู้ที่ใจรู้ที่ตัวเรานะคะว่ามันไม่มีเราคือก่อนหน้าที่จะเป็นอันนี้ที่ผุดขึ้นมาในใจเนี่ยนะคะมันเห็นภาพที่มันเป็นต่อ จากการก้าวเดินจงกรมคะคือก้าวก้าวเท้าเดินแต่จิตเราเนี่ยจะอยู่ที่ลักษณะท่าทางการเดินแล้วมันจะเห็นความเป็นไม่ต่อเนื่องกันคะเป็นอย่างนี้แล้วถัดมาก็จะมันโผล่ขึ้นมาว่ามันไม่มีเราตัวนี้จะถือว่ารู้จากใจหรือเปล่าคะ คือเราไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มันผุดขึ้นมาเองอะ่ะมันขึ้นมาอย่างนี้เองจะเชื่อถือได้ไหมคะแต่ยังยังหลงเอาตัวเราเป็นตัวปุงอยู่นะยังเอาตัวปุงเป็นตัวเราอยู่เยอะ คือตัวเราสบายไม่มีเราแต่กลายเป็นว่าตัวเราสบายเราสบายเราเบามากเลยเราสบายมากเราสงบมากเราเห็นแลเรารู้แลคือช่วงที่ปฏิบัติทำเนี่ยมันต่อเนื่องจาก นั่งสมาธิแล้วก็เดินจมกอเนี่ยมันต่อเนื่องคือจิตตอนนั้นี่ไม่ได้นึกถึงว่าสบายหรือไม่สบายส่า่ยเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยโยมยึดอยู่เนี่ยตอนนี้เลยหลงตาพูดปัจจุบันเนี่ยอ้าค่ะอืมปัจจุบันเนี่ยโยมยังยึดอยู่เลยจะมีตัวเราสบายตัวเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราตัวเราโยมโยมมีตัวเราตัวเราที่เอาตัวสัมถะเป็นตัวเราตัวเราเป็นสังขาะตัวภรุงยังมีอยู่ในใจนะโยมเห็นมันซักก็จะเป็นรู้ซะ อย่ไปเป็นตัวคิดตัวคิดตัวรู้สึกว่ามีเราเราเราสบายเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเอาปัจจุบันอะธรรมะต้องลงที่ปัจจุบันอดีตเป็นธรรมเมาอะนะเขเป็นธรรมเมาไอไออะไรที่เราไปรู้เห็นแล้วในอดีตแล้วก็ต้องผ่านแล้วจบแล้วจะผ่านแล้วจบแล้วเอาปัจจุบันเรื่อยไปรู้รู้ปัจจุบันรู้จิตขณะปัจจุบันธรรมะธรรมเมคือมีแต่ปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันคือที่ที่เรียนถามท่านพระอาจารย์เนี้ยคืออยากจะรู้ว่าว่าไอ้ใจ ใจนีกะใจอือใจก็ที่รู้รู้จิตปัจจุบันนี่ไงใจก็รู้ปัจจุบันโยมปัจจุบันแต่ยมไม่รู้ยังไม่รู้จิตปัจจุบันเลยเนะี <มา S 3> <maj> ่ยพอรู้จิตปัจจุบันแล้วยมก็เราในใจของโยมมีอะไรมีอะไรอยู่ในใจเราตอนเนี้ยโยมรู้ว่ามีอะไรในใจตอนนี้เนะี่ยเป็นใจโยอมไม่ต้องไปถามในอดีตหรอกปัจจุบันเนี่ยค่ะ ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ขนาดนี้เลยในใจของโยมมันมีอะไรอยู่ในใจอ่ะโยมก็รู้รู้ในใจของโยมมีอะไรอยู่เนี่ยรู้มันแค่รู้ต่อตัวรู้มันก็เป็นใจแล้วก็ก็รู้ต่อไปก็รู้ต่อไปหมายถึงว่าต้องต้องรู้ใจตัวเราต้องฝึก หมายถึงว่าไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องไปตามรู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้มันคืออย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้คือถ้าผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปให้อยู่กับปัจจุบันคือปัจจุบันขนาดเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้อยากให้โยมเห็นเดี๋ยวนี้ว่าเนี่ยในใจของโยมคิดอะไรอยู่รู้สึกยังไงอยู่เนี่ยโยมก็เป็นรู้นั้นจะไปเลยมันก็เป็นใจไปเลยอ่ะนี่เนี่ยขณะนี้เลยไม่ต้องไปไปหาเหตุผลอะไรค่ะค่ะโอเค การับพษาค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบโ <laughs> ยมยังไม่รู้นะ ย, ยังไม่เป็นใจรู้เลยเนี่ยข้างในมี question mark เต็มเลยเป็นคนคิดมากค่ะอาจารย์ดี๋ยวทั <laughs> ้งสองโ <laughs> ยมเป็นคน <c oughs> ฟุ้งซ่านคิดมากอยู <c oughs> ย่แล้วโยมไม่เอาตัวคิดมากตัวฟุ้งซ่านแล ะ, ะตอนนี้ดึงตรงตาพูดเราต้องการให้เห็นว่า รู้ไหมว่าในใจของโยมเป็นอย่างเนี้ยไอที่รู้เดี๋ยวนี้เนะนี่ยนั่นคือใจต้องไปให้เห็นใจในปัจจุบันนี่เนะี่ยพบใจในปัจจุบันไม่ใช่ว่าโยมเป็นคนคิดมากโยมพงษ์ซ่านอะไรไม่ใช่ถ้าตอนเนี้ยมันรู้ว่าไหนเป็นใจมัน ก, มนก็มันก็สามารถปฏิบัติ เ, เป็นใจได้เรื่อยไปอ่ะถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใจอะไรเป็นใจก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นใจมันมันไม่เอาความจำมาเลยอ่ะ มันเอาของจริงที่เป็นปัจจุบันทันทีเลยเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะเอาของจริงที่เป็นจริงๆเลยว่าตัวนี้เลยถามว่าโยมรู้ไหมว่าในใจของโยมมันเป็นอย่างไรมีความรู้สึกมันคิดอย่างไรมันเป็นอย่างไงไม่ใช่ว่าบอกว่าโยมฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านอะไรหรอโยมเห็นไหมว่าในใจของโยมมันเป็นเป็นอย่างไรคิดอะไรตอนมึงแต่งอะไรถ้าเห็นนั่นแน่ๆคือใจเห็นหรือรู้นั่นแน่คือใจ เห็นไหมว่าในใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงตอนเนี้ในทุกขณะปัจจุบันเน่ยมันมีความรู้สึกมันคิดยังไงมันเป็นยังไงก็คือเห็นอยากตรงไปตรงมาเนี่ยแหละคือใจ <Okay. S 1> ใจปัจจุบันก็คืออยากจะรู้คําตอบจากลงไปใชัจใจใที่อยากรู้คําตอบอันนั้นคืออะไรสังขารอ ง, งาแต่ใจเนี่ยคือที่รู้ว่าในใจของเราอยากรู้คําตอบอ น, นั่นแหะคือใจ ก็อยากรู้คําตอบคือใจมาจากใจอไม่เข้าใจไม่เข้าใจอยากรู้คําตอบนั่นแนหะคือใจออกมาจากใจไม่ใช่คือไอทีว่ารู้ว่าในใจเนี่ยมันมันอยากรู้คําตอบออืไอทีอยากรู้คําตอบเนะี่ยมันคือสังขารคือคือปรุงแตง่งคือขันห้าคือจิตปรุงแตง่งอืแต่รู้ว่าในใจเนี่ยใจมันก็ได้แต่รู้ว่า ในใจของเราเนี่ยมันอยากรู้คำตอบอยากรู้คำตอบแต่ไม่ต้องการหรอกคำตอบที่อยากรู้อ่ะแต่มันเป็นรู้ที่อยากรู้คำตอบไปได้เน่ไอเนี่ยคือต้องการไอที่อยากที่มันรู้อ่นเนี้ยตอนเนี้ยมันแสดงกิริยาการอยากรู้คำตอบตัวเจ้านั่นไอที่รู้คำตอบรู้ไม่รู้คำตอบไม่มีความหมายแล้วว่าลูกตาจะตอบว่ายังไงแต่รู้ไหมว่า ในใจเนี่ยมันแสดงกิริการมันสงสัยสงสัยเป็นขุยเช่นมากอยากรู้คําตอบยังสงสัยยังไม่ไอ้เข้าใจใจเนี่ยมันรู้ไม่ว่าตอนนี้ยังมัน ย, ยังสงสัยยังไม่เข้าใจไม่เลยไม่ต้องการควาเขา้าใจหรอกแต่รู้ไหมว่าตอนนี้ไม่เข้าใจอันนั้นเนะี่ยคือใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจอืแล้วเห็นว่ารู้ น, นั่นแหละคือใจไอ้ที่ไม่เข้าใจเนี่ยคือสังขารจึงไม่ต้องการความเข้าใจ รู้ว่าไอ้ที่รู้ว่าสงสัยต้องการคําตอบไอ้ที่สงสัยต้องการคําตอบไม่ต้องการคําตอบแล้วแต่ให้ต้องการว่ารู้ไหมว่าจิตมันแสดงกิริยาการสงสยัยอันนั้นนหะคือใจอืมคือใจที่ไม่สังขารแต่จิตมันสังขารคือแสดงกิริยาการสงสยัยอนี่ยมันก็ยังทําอาการหน้านิวคิดก็หมวดอยู่ข้างในอะมันไปเป็นตัวสงสยัยซะเองซะแล้วค่ะ ทำไมไปเป็นตัวสงสัยไอ้อตัวที่สงสัยซะเองไปทำอาการน่าหนี้อยู่กี่ขโมดอยู่ข้างในมันกลายเป็นตัวสงสัยซะเองเป็นรู้แต่ไม่เป็นตัวสงสัยซะเองคนอ่านกันนะเดี๋ยวโยมจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจะค่ะไ ม, <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อเอาไว้เรียนไปเรื่อยฟังไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเข้าใจ เอเลยตัดไปเลยครับขอบคุณค่ะท่านมันจะเค้นก็ลำบากจะเค้นจะจี้ก็ลำบากไล่จี้ไล่ฟันให้ขาดกระเด็นะดวงตาเจ้าค่ะไม่รู้ยมเคยทำถูกหรือเปล่าเวลาบางทีทำาอาผู้ใกล้มาให้ก้นกระดกหนยท กิจกรรมที่บ้านอย่างซักผ้าเงี้ยมันก็ดูดูที่ใจทีนี้ที่ดูมันก็เห็นมันก็รู้อ่ะมันก็รู้มันมันเคยมีว่ามันขำว่าไม่เอาอาดีตไม่เอาอาดีตไม่เอาอาดีตอันนี้อดีตเป็นทําเมาไม่พูดถึงอดีตเลยมันต้องรู้ปัจจุบันเนี้ยค่ะ อันนั้นมันเป็นเรื่องเล่าเป็นนั่นแล้วมันเป็นสัญญาเป็นอดีตต้องเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นขนาดจิตปัจจุบันเนี่ยจิตเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นเนี่ยรู้เป็นไหมแค่นั้นแหละถ้าเราไปเอาจำอันนั้นมันเป็นมันเป็นทําเมาอะไม่ยอมเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยโหตวาดเลยหลวงปู่หลวงตาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวอุทาเจตวัสมน์เนี่ยขนาดทําอัศจรรย์ที่อยู่บนยอดเขาอยู่ในโบสถ์เลยไม่ใช่ว่าเป็นอดีตนานอย่างที่โยมเล่าใช่ไหมนะ ว่าต้งแต่สัผนะ้าเนี่ยมันเคยเกิดอย่างงี้เลยเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ข้ามวันเลยอ่ะอยู่บนยอดเขาเนี่ยโบสถอยู่บนยอดเขากุฏิพ่อแม่กรูบาอาจารย์อยู่ตีนเขาหลวงปู่ธรรมะเป็นหลวงปู่มียนมนันมณีทำ ม, มาปรากฏเป็นหลวงปู่มีญาณมณีมาปรากฏทำที่จิตมันว่๊ววเหมือนมีอาการเป็นโรคไวทองอ่ะแล้วเข้าถึงใจที่สงบได้ในท่ามการจิตที่เป็นโรคไวทองเนี่ยอัศจรรย์มากเลยอ่ะ รีบลงจากโบสถ์มาปรูกจะไปเล่าให้หลวงปู่มียานวันนี้เหลวงปู่ทาจารย์สมุทรแม่ครูอาจารย์ฟังยังไม่ทันจะ ก, ก้าวขึ้นบันไดกุฏิเลยท่านยกมือห้ามเลยประวัติเลยว่าอาดีตท่านั้นไม่ใฉ่เลยนะมันทำเมาไม่ใฉ่เลยน่ะ นี่ไม่ได้ข้ามวานว่าซักผ้าอย่างที่โยมว่าเลยนะนี่เมื่อกี้นี่เองไงอยู่บนยอดเขาวิ่งลงมาที่สามไปกุติท่านอยู่ตีนเขาอ่ะจะมาเล่าให้ท่านฟางังท่านยกมือห้ามเลยว่าอดีตทางน้นไม่เฉยแล้วนะมันทำเมาไม่เฉ่แล้วนะเนี่ท่านรู้ระยะทางไกลเลยและรู้วล า, าจิตเลยแล้วท่านตะหวาดเลยนะวัดหลง อดีตอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอดีตเป็นทำเมาอนาคตเป็นทำเมามันต้องรู้ปัจจุบันล่ปัจปจุบัน ร, รู้ปัจจุบันล่ปัจจุบันรู้ซื่อซื่อปัจจุบันรู้ซื่อซื่อจิตปัจจุบันเป็นรู้หรือเปล่าละ่ละรู้ซื่อซื่อจิตปัจจุบันรหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าไปออดีตมามันหลงหมดมันไม่เป็นรู้อาการปัจจุบันโดนท่านตวาดอย่างแรงเลยตูนตาก็ไม่กล้าพูดอะไรเลยก็ได้ไปทําไปกราบขอเข้ามาท่านกราบขอเข้ามาครับขอโทษขอโทษขออภัยครับขอเข้ามา แล้วก็ค่อยคานถอยหลังออกมาไม่กล้าที่จะขานกลับหลังด้วยคานถอยหลังถอยหลังว่ายังจําไม่หายเลยท่านตาวาดเรียกเลยว่ามานี้กลับมานี้นลงอดีตได้ยังไงอ่ะอดีตไม่เป็นทำเมาไม่ใช่เหรออนาคตเป็นทำเมารู้ปัจจุบันรู้จิต ป, ปัจจุบันเนี่ยรู้ปัจปจุบันรับปัจจุบันเท่านั้นแหละเป็นธรรมะธรมโมธรรมะธรมโมเนี่ยมันรู้ปัจปจุบันรับปัจจุบันแค่นั้นแหละขา ครับไม่พูดเลยสักคำหนึ่งที ö ö ่จะมาเล่าใจครับอย่างเดียวนั่นแหละครับครับท่านไม่ได้ให้เล่าอะไรเลยไม่แต่แอะเดียวนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอดีตนี่ทตวาดเลยเราอสอนเขาอ่ะเป็นครูบาอาจารย์เขาอะลงอดีตนี้ได้ไงอ่ะโอ้ยทตวาดแรงมากเรียกกลับมาอีกเราครับครับถอยถอยหลังออกออกไปแล้วค่อยๆกาบกาบท่านค่อยๆขานถอยหลังถอยหลังถอยหลังไม่จะว่าหันกลับหลังเลยนะไม่กล้าเลยนะขานถอยเราไป่ล้ อาวาตเรียกมานี้โอ้ยเราเป็นครูบาอาจารย์เขาเนี่ยลงอดีตนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ยประวาดิซะเรานี่คาฟฟ้าฟ้ า, าเลยอือรู้ปัจจุบันอดีตไม่อดีตคืออดีตเลยอืไม่ ต, ติดบางทีมันเผื่อไปอล้วงอดีตเราก็เห็นว่ามันมันชอบไป มันมันกลับไปวนอ่ะแล้วก็เห็นอ่ะรู้แล้วก็ปล่อยเยอะอย่า ง, ง น, นั้นแหละแต่ไม่เอามาเล่าอีกมาพูดอีกไม่เอามาคิดอีกธรรมะมันมเป็นลักษณะของจิตที่มันจะไปอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะต้องรู้ปัจจุบันเนี่ยละปัจจุบันให้ได้เลยอยู่ที่ปัจจุบนันเดี๋ยวมันมันถ้าเราไม่ละให้เด็ดขาดจะไปเยื่อใ ย, ยอดีต<อ>ไปเยื่อใ ย, ยอดีตไปกังวลอนาคตไปเยื่อใ ย, ยอดีตไปกังวลอนาคต แล้วไม่รู้ปัจจุบันก็ไม่ทันกับจิตที่มันไหลไปอดีตแล้วโมตระยุกต์จิตอดีตเวลาเวลามันรู้ว่ามันไปไปรวงอดีตมารู้แล้วมันก็ตะไป อ, อย่างนั้นเขาเรียกว่าละปัจจุบนันมันจะไหลแว บ, บไปหาอดีตต้องละในปัจจุบันนั่นเลยมันก็เกิดซ้าได้อีกเดี๋ยวมันก็ไป เกิดำได้อีกด้วยอำนาจสติปัญญาที่รู้ตัวทันเนี่ยมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็หลคือทะลุเท้าไปเรื่อยเรื่อมันจะน้อยลงใช่ไหมคะเหมือนบางทีคิดแล้วเหมือนกับเหมือนเหมือนเด็กซนที่เราห้ามแล้วแล้วจริงๆไม่ได้ห้ามคือดูเหมือนกับรู้แล้วก็ถอยอะไรเงี้ยเราก็จิตมันไปเยื่อใยมันยังไปเยื่อใยแล้วปล่อยมันเคยมันจะเคยตัวไปเยื่อใยอดีต ถ้าเราเยื่อใยอดีตมันก็ต้องไปอนาคตได้ถ้าเราไปยื่อใยในอดีตปล่อยมันคิดเอื้อยไปได้ปล่อยไม่เอาในอดีตมาคิดเอื้อยแล้วเราก็ปล่อยมันคิดไปได้เสี้ยววินาทีเดียวที่เราปล่อยให้เอื้อยให้มันคิดไปในอดีตได้มันจะต้องไปกังวลกับอนาคตได้เหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยถ้าเราปล่อยป่อยมันแกว่งไปด้านหนึ่งเนี่ยมันจะต้องปกติกลับไปอีกด้านหนึ่งเท่ากันถ้าเราปล่อยให้มันเอื้อยไปในอดีตได้มันต้องไปกังวลกับอนาคตได้เราต้องไม่มีสามารถพ้นทุกข์ได้เลยต้องตัดขาดในปัจจุบัน จะปล่อยให้มันเอื้อยไปในอดีตเอาอดีตมาบนได้เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านโอ้โหตาวาดแรงและด่าแรงมากเลยแล้วไม่ใช่ว่าเรื่องที่เสียหายอะไรมากมายนะนี่เรื่องเห็นทำรู้ทำเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อ ก, กี้แป๊บเดียวเนี่ยแต่โดนก็ไปหลายครั้งเหมือนกันนะแบบเนี้บยบ่อยๆละแวบเดียวที่คิดอยู่อะไรอยู่บนยอดเขาอ่ะแวบเดียวนั่นแหละลงมาถึงก็ข้างล่างที่ตีนเขาอ่ะท่านไม่ให้ขึ้นกุฏิเลยยกมือเลย ไปคิดอะไรไปคิดอย่างนั้นมาเนี่ยไปคิดอะไรบ่แป๊บเดียว น, นั่นแหะลงมาพาเขาสวดปฏิโมกกันเราก็ไปฟังฟังสวดปฏิโมกไปไปลูกอาหารอะไรไปคุยกับพระอาหารดีกว่าได้ประโยชน์เยอะคิดแค่นี้เนี่ยเราก็ปืดลงจากยอดเขาไปหาท่านโดนดุเลยฟังสวดปฏิโมกก็ดีนะอะโดนเลยเราคิดแป๊บเดียว น, นั่นแ่ละว่าออ ฟังสวดปฏิโมกไม่บร ร, รลุอรหันต์นะมั้งมันก็ผมไม่ได้บรรลุอะไรหรอกก็ฟังสวดพระวินัยไว้เฉยสวดปฏิโมกติดสิงสองรอยี่สิบเจ็ดขอพระไปคุยกับพระอรหันต์จะได้ไประโยชน์เยอะกว่าคิดแค่นี้ยพูดเราจะเข้าไปไปหาท่านเลยไปคุยกับท่านดีกว่าโลกไปไมถึงกุฏิท่านเนี่ยยกมือห้ามเลยไม่ให้ขึ้นด้วยบอกว่าโดน ด, ดุเลยฟังฟังสวดปฏิโมกก็ดีนะเออโดนเลยตอนนี้บางทีเราก็ เห็นภาก็สบมดมืนเย็นก like so like so so ันเราก็จะงกหน้าไปไแล้วภาที่สวนมดเย็นไม่เห uh. ็นมีใครบรรลุอรหันต์เลยไปคุยกับอรหันต์ดีกว่าเนี่ยไอเรามันก็ชอบเป็นงจิตเราก็มันก็มันเร็วไงเราก็จะงงหน้าไปดูภาที่สวนมดเย็นไม่มีใครบรรลุอรหันต์ไปคุยกับหลวงปู่ดีกว่ารลปูบรรลุอรหันต์แล้วาจจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแป๊บแล้วอดีตกุฏิหลวงปู่แป๊บเดียวไม่ให้คืนกุฏิล้วยกมือห้ามเลย ไปสดโมเด่นก็ดีฟังสวดโมเด่นก็ดีนะโดนแล้วเห็นไหมไม่มีหรอกอต้องปัจจุบันเท่านั้นเลยอ่ะตัดขาดในปัจจุบันเลยอดีตอนาคตตัดขาดในปัจจุบันเลยแล้วปัจจุบันก็ตัดขาดในปัจจุบันนั้นเลยรู้ปัจจุบันละปัจจุบันเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยมันตัดขาดอดีตตัดขาดอนาคตหมดเลยไม่ยื่อใยไม่อะไรอวรเลยแล้วปัจจุบันก็ถูกตัดขาดในปัจจุบันคือรู้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ซื่อในปัจจุบันเลยมันถูกตัดขาดได้รู้ซื่อในปัจจุบันเลย มันรู้สู้ๆในปัจจุบันมันตัดขาดอาดีตอนาคตหมดเลยอ่ะมันไม่มีเยื่อใยอะไรอ่อนเลยอ่ะไม่เอื้อยเลยไม่ให้เอื้อยเลยท่าไม่ให้โอกาสเลยโอ้โหโดนว่าท่านว่าด่าแรงมากว่าแรงมากเลยมาดิลงอดีตอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทําไมลงอดีตอย่างเงี้ยอดีตเป็นทำเมาไม่ใช่เหรอลงอนาคตมันเป็นทำเมาไม่ใช่หรอมันต้องรู้ปัจจุบันรับปัจจุบั น, นเท่านั้นแหละถึงจะเป็นธรรมะธรรมโมอันเดียว น, นั้นแหละ ธรรมะธรรมโมเนี่ยนอกจากนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยต้องรู้ปัจจุบันล่าปัจจุบันเนี่ยที่จะเป็นธรรมอันเดียวธรรมะธรรมโมแปลว่าปฏิบัติธรรมเ่ยหลงอดีตหลงอนาคตไม่เป็นธรรมเลยต้องรู้ปัจจุบันล่าปัจจุบันเท่านั้นแหะที่เป็นธรรมนอกนั้นไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยปฏิบัติธรรมแทบตายแต่หลงอดีตหลงอนาคตในปัจจุบันก็หลงติดไปกับอะไรไม่ตัดขาดลงในปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยทั้งว่าปฏิบัติธรรมนี้ไม่เป็นธรรมโดนทัตตะวาดโูหูแรงมากเลยไม่มีที่จะมาเล่าอะไรทั้นฟังได้อยู่กับท่านต้องระวังจิตใจตลอดเวลาเลยคิดอะไไไรก็ม่ด้ พี่อะไรดอกก็โดนท่านอัดแหละอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรนะอยู่กันทั้งขนาดเนี้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรถ้าไปคิดตะรดิถิบไปโดนเราคงโดนไม่โดนไม่รู้เรื่องเลยแต่เนี้ยไอ้นี่อแค่แว๊บเดียวเนี่ยะพระสวปฏิโมกข์เราก็ดูสวดปฏิโมกข์ไม่ทําให้ไม่รู้อรหันต์เราก็เลยฟังพระสุปฏิโมกข์ไม่ไม่ได้ทําให้ไม่รู้อรหันต์ไปปะคุยกับอรหันต์ดีกว่าจะได้ทําให้เนี่ยได้ประโยชน์มากเลยเนี่ยพอไปถึงปุ๊บ ไป่ขึ้นกุฏิท่านได้รับพอไปถึงท่านเบรคมือห้ามแล้วไปฟังสดปานิโมก็ดีนะโดนแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวสวดมนต์เย็นก็ไม่เห็นมีพระที่สวดมนต์เย็นนี่มีใครรู้อรหันต์เลยแป๊บเดียวไปคุยกับท่านไปคุยกับอรหรันจะได้ไประโยชน์เยอะไปถึงกุฏิท่านแป๊บเดียวนั่นเนี่โดนแล้วไปฟังสดมนก็ดีเหมือนกันนะไปสวดมนต์ก็ดีโดนแล้วเห็น ไ, ไหม คิดอะไรจะไม่รู้ตัวโดนหมดเลยอ่ะไม่ว่าคิดอะไรถ้าคิดไปเองเลยเดินที่ไม่รู้ตัวกำลังคิดอะไรโดนทุกดอกเลยจะคิดอะไรต้องรู้ตัวเองคิดตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเราเป็นคนคิดเองแล้วไม่รู้ตัวเรากำลังคิดโอ้โหขึ้นไปกุฏิท่านโดนเลยโดนหนักเลยไม่ว่าจะคิดไกลคิดใกล้โดนหมดเลยบอกว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านอยู่ถึงปากช่องแล้วก็ลาวศีมาโนน่ะบอกว่าอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้เลยโอ้โห ขนาดคิดอยู่กรุงเทพไปถึงถึงปากช่องโดนแล้วอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยมันทําให้เนี่ยคิดไม่ได้เลยกระดุกกระดิกอะไรในทางที่คิดต้องรู้คิดต้องรู้คิดต้องรู้คิดต้องรู้คิดต้องรู้ต้องรู้ทุกคิดเอะทาไมรู้แล้วโดนทันทีเลยถ้าคิดไปเลยแล้วก็คิดอะไรก็คิดไปเลยคิดอะไรก็คิดไปเลยโดนทันทีตัวเนี้ยแต่ถ้าคิดแล้วรู้จะทำไม่ว่าอะไรวักรณีที่ คิดเรารู้ท่านไม่ว่าอะไรก็น่าจะยกน่าจะมาเล่าให้ท่านพวกท่านต่างหลายฟังไปอุตาหอนเพราะหลายคนก็ปฏิบัติผิดเพราะว่าเวลามันคิดอาขุศโมาไปไล่ดับมันอยนู่เรื่อยก็ปฏิบัติผิดหลวตาก็ไปแอบไอ้กว่าที่จะไปแอบดูท่านน่ะหัว่าท่านน่ะจิตของลาหันเป็นยังไงก็แก้งนวดท่านแล้วเรวาก็นวดสองตัวมันนันนวดตั้งเกือบสงชั่วโมงก็ตั้งนวดทั้งตัวจับขยำขยำขยำไปแล้วก็นวดไปค่อยปเป็นหรอกแต่ก็จับขยำขยำไปทั้งตัวเนี่ย <S <S บาทีเขาอยากไปไปโดนไปโดนนมเหี่ยวๆของท่านแหมนมนิ่มๆเลยนมคนแก่นิ่มจังอะไรเงี้ยเรฮ้ยอคิดบ้าๆเลยเนี่ยไอ้ี่ยท่านรู้ต้กคิดนะมึงอะไรเงี้ยกระต่คิดตงกายยังรู้เลยอีดียิ่งเอามือมาโดนตัวท่านแล้วไปโดนนมท่านก็ยิงท่านงรู้ตคิดโดนแล้วมึงองีว่าตัวเองอยู่ตลอดเวลานะมีสติรู้ตัวตลอดเวลาแต่จิตมันิงว่ามันงคิดไม่รู้เป็นอะไรมันคิดตนคิดนี่คิดนันคิดี่คิดอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี้ยเราก็ห้ามมาตลอดเลยอย่าคิดนี่อย่าคิดนี่ไม่อย่าคิด ด่าเตะหาแล้วก็เอะไรเงี้ยแล้วก็คอยว่าตัว เ, เองตลอดอ่ะมันก็แหนะนวดไปนวดไปแปมนมท่านนิ่มนิ่เหมือนเด็กเลยเว้อะไรเนี่ยอะไรแล้วคนแก่เนี่ยคนแก่อยู 98, ่เก้าสิบแปดไงแล้วก็นวดไปก็เล่นไอ้จิตเรามันก็คือชอบอย่างนี้เนะี่ยชอบเล่นชอบสำนี่ทำนั่นโดเลยจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแล้ก็ห้ามมันดุบันด่ามันนะเรารู้ตัวตลอดเลยรู้ทุกคิดเลยว่าคิดอะไรอนะแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเราพยายามจะดับมันจะห้ามมันมันย่งคิดใหญ่ ห้ามมันไม่ได้เนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าจิตมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันไมอยู่นอกบังคับของเราห้ามมันไม่ได้บังคับไม่ได้จิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราห้ามมันไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าเป็นของเราต้องห้ามมันได้ในดุก็ไม่ฟังว้าก็ไม่เชื่อได้แต่รู้ตัวทันมันอย่างเดียวเท่านั้นเองอ่ะจะไปห้ามมันก็ไม่ได้เนี่ยพอสุกนวดท่านเสร็จก็กราบขอเข้ามาท่านเลยกราบขอเข้ามาเมื่อกี้ผมแอบดูจิตทผมก็คิดอะไรสับปะรดติประดนด้วย ผมกราบขอขระมาว่าแม่ครูอาจารย์ท่านตวาดเลยเออเราก็ตกใจเอ้าไม่โดนตวาดเหรอโดนดุดไอที่คิดอยู่นั่นน่ะมันมีส ต, ติรู้ตัวอยู่ไม่เถอะแล้วนั่นจะเป็นโทษบาปกรรมอะไรเอ๊ะทีแรกนึกว่าโดนแทบตายแล้วไอคิดอยู่นั่นน่ะ มันมีสติรู้ตัวอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วมันจะไปโทษบาปกรรมอะไรอ่ะมีสติแล้วอ่ะอ้าวผมมีสติแล้วเนี่ยไม่มีโทษบาปกรรมอะไรเลยตอนนี้ไอ้ที่มีโทษไมาา่ไอ้เราคิดอะไรโดยไม่มีสติเนี่ยไม่รู้ตัวเองคิดอะไรอ่ะมีโทษบาปกรรมเลยตอนนี้อ้าวไงเป็นอย่างนี้แต่เนี่อ่ะไอ้ที่กาลังขอเข้ามาเนี่ยไม่มีสติเลยเนี่ยนี่กําลังไปโทษบาปกรรมอ้าวโดนเลยตอนนี้เราคิดอยู่ตั้งเกือบสอชั่วโมง ยุกยิกยุกยิกรู้ทันมันตลอดเวลาแอบนวดทันก็คิดนู่นคิดนีคิดนั่นคิดนี่เราก็คอยรู้ต่อทันห้ามมันไม่คิดมาคิดตลอดเวลาแต่ท่านบอกว่าไอ้คิดตอนนั้นมันมีสติอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วจะเป็นโทษบาปกรรมอะไรอ่ะแต่กําลังไอ้ขอก็มาเนี่ยมันทิกงสติหมดเลยอ่ะตั้งใจขอก็มาอย่างเดียวเลยไม่รู้ตัวคิดอะไรเลยตัว น, นี้เลยเนี่ยมันจะเป็นกําลังไปโทษบาปกรรมอ้าวโดนเลยตัว น, นี้พอมีสติไม่เป็นบาปกรรมเพอะไม่มีสติโดนเลยตัวนี้ นี่ยอ้คนทั้งหลายเข้าใจผิดมากเลยปฏิบัติเวลาจิตมันไ ล, ไล่ดับความคิดทุกคิดเลยแล้วก็เวลาจิตมันคิดกุศลคิดอกุศลแล้วก็ไล่ดับมันหมดอนะดับมันไม่ได้แล้วเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันอยู่ไม่อยู่นอกคำหนาาของเรามีเราไปทําได้เดียวคือมีสติยห้ขาดแค่นั้นแหละมันคิดอะไรขอให้รู้คิดอะไรให้รู้คิดอะไรให้รู้ไม่มีใครด่าเลยไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์รู้ว่าแล้จิตคมคงก็ยังไม่ว่าเลยมีสติอันเดียวแค่นั้นแหละตอนจึงบอกว่าสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทําขาด สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันธิผ่านสติอันเดียวก็ไม่หลายสติอันเดียวถ้าสติขาดสมาธิก็ขาดปัญญาก็ขาดธรรมก็ขาดเป็นทุกข์หรือทําให้ไม่พ้นทุกข์สติหายสมาธิก็หายปัญญาก็หายธรรมก็หายทําให้เป็นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์สติมีสมาธิก็มีปัญญาก็มีธรรมก็มีไม่ทุกข์ สติเป็นมหาสติก็จะเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพัญญิผ่านผ น, นจากทุกสติอันเดียวธรรมะสี่หมื่นแปดพันมรธรรมขารวมลงที่สติหรือจิตนั่นเองเนี่ยทำทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยู่ในปัตยิปิฎกไม่ได้อยู่ในอะไรหรอกอยู่ในสตินเนี่ยกัุจิตนี่เองอ่ะอยากรู้อะไรคนที่เอาที่จิตก็ที่สติเนี่ยที่มีสตินี่เนี่ ย, ยก็จะรู้ทำทั้งหมดเลย